อย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะใครดีเป็นไก่ให้หน่อย <c oughs> คุณนอนันตองค์มีไหมตอนเรียนอิริยาบทบพเพนี้เข้าใจอย่างนี้หรือเปล่าว่างั้นเดี๋ยคืออิริยาบทเนี่ยจะขึ้นด้วยอิริยาบทใช่ไหม <c oughs> เดินยืนนั่งแล้วก็นอนเดี๋ยวนะเรียกว่าอิริยาบทสี่ ทีนี้อิริยาบถเหล่านี้เนี่ยนะในคำพีท่านบอกว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเนี่ยนะหรือว่าตั้งกายไว้ด้วยอาการใดๆก็รู้ชัดโดยอาการนั้นๆด้วยด้วยประการดังนี้พิสูพิจนารณาเห็นกายในกายภายในบ้างอันนี้เป็นพุทธพจน์เป็นอย่างนี้ทีนี้เวลาอัตถกถาที่บายพูดถึงอิริยาบถ ท, ทั้งหลายคือยืนเดินนั่งนอนเหล่านี้เกิดจากจิตชาวายโยธาเนีนะ คือธาตุลมที่มีจิตเป็นสมุทฐานตัวอิริยาบถเนี่ยอย่างหนึ่งนะจิตชะชาวายโยธาอีกอย่างหนึ่งไอจิตตะชาวาโยธาอันนี้ก็คือโดยองค์ธรรมก็ได้แก่อวินิ婆ค ร, รูปแปบวกบวกอะไรบ้างเพิ่มวินยัตเข้ามาอีกเพิ่มกายวินยัตเน่นะเป็นบางครั้งนะแต่ว่าโดยมากอ่ะเป็นกายวินยัต บวกวิญนยติรูปเข้ามาทีนี้จิตชาวาโยนี้เกิดจากอะไรเกิดจากจิตทีนี้จิตเวลาจะเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ต้องอาศัยวัตถุวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตที่ทําให้เกิดอิริยาบทเป็นหัตยะอย่างเดียวเพราะวะ่าแล้วก็จิตเหล่านี้ต้องเป็นมโนทวารวิถีอย่างเดียวอยู่ในมโนทวารวิถีจึงจะทําวิญญยตได้ ทีนี้ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องอิริยาบท4ดีเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องเข้าใจอันดับหนึ่งคือเรื่องของจิตพร้อมทั้งสัมปยุตธรรม2เกี่ยวกับเรื่องของจิตชาวายโยสเรื่องของร่างกายเนี่ยนะเรื่องของโครงของร่างกายทั้งหมดในในรายละเอียดก็พูดถึงว่าจิต กับเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรแก่จิตตะชาวายโยถ้าแยกมาในส่วนของจิตอย่างเดียวนะจิตเป็นปัจจัยอะไรแก่จิตตะชาวายโยเจตสิกเป็นปัจจัยอะไรแก่จิตตะชาวายโยอันนี้ก็ว่าโดยปัจจัยเพิ่มไปอีกอแล้วจิตกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยนะอารมณ์นี้ก็มีความสาคัญต่อจิตเมื่ออารมณ์มีความสาคัญต่อจิต จตชาวาโยซึ่งอุปมาเหมือนกับอันนี้เหมือนหุ่นกระบอกนะอิริยาบถเหมือนกับหุ่นกระบอกจิตชาวายโยก็คือเชือกชักจิตก็เหมือนกับผู้ชักเนาะนะผู้ชักเชือกทีนี้จิตนั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยก็เนื่องด้วยอารมณ์ อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอยู่ที่อารมณ์จริงๆถ้าอารมณ์บางอย่างก่อให้เกิดโลภะโลภะก็เป็นเหตุให้นะจิตชาวายโยเกิดอิริยาบถเดินต่างๆเป็นต้นก็เป็นไปตามนั้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนื่องด้วยกาละสถานที่และว่าเป็นรายบุคคลไปเห็นนะทีนี้การรอบรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะเพื่ออะไร เพราะทั้งหมดเหล่านี้กล่าวโดยตรงๆแล้วเป็นปริญยยธรรมเป็นธรรมะที่ควรรอบรู้เนี่ยนะควรเข้าไปรอบรู้เท่านั้นเองอเมื่อรอบรู้อย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ละในสิ่งที่ควรละก็คือสุภาพวิปลาสเป็นต้นในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรละเนี่ยนะเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่สงบระงับจากสังขารเหล่านี้ทั้งมวล ด้วยข้อปฏิบัติคือการเข้าไปใคร่ครวนเหล่านี้เห็นมันก็จุดประสงค์ของการใคร่ครวนก็เพื่อแทงตลอดอริยสัตว์เหนไอันนี้อารมณ์ค้างมาจากตรวจหนังสืออิริยาบทปฐพะมาก็มันก็ว่าที่ที่กล่าวว่าละละสุภาะหรือว่าละหมายความว่าอะไรนี่เป็นอิริยาบถมากว่าตรงๆแล้วเนี่ยนะจุดประสงค์ก็คือเพื่อละ สุภะวิปรลาดนแสดงว่าที่เราเห็นว่าเดินเป็นสุภาพะนี่เดินงา ม, มหรือว่าเออนี่เดินหมายคามงี้ใช่ไหมครับที่ว่าสุภะเนี่ยเพลดิดเพลินในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอะนะที่เพลดิดเพลินในอิริยาบถ ท, ทั้งหลายเหล่านี้เพราะไม่รู้ปัจจัยอีกอะนะที่ทําให้อิริยาบถเหล่านี้เกิดและที่สําคัญไม่เคยแยกแยะด้วยว่าอตัวยืนเดินนั่งนอนมันคืออะไร ไม่ไม่ได้รอบรู้ในส่วนของอมหาภูต ร, รูปสี่กับสมุทฐานสีนนนน่และก็ไม่รอบรู้ในจิตตะชาวายโยและก็ไม่รอบรู้ในจิตเหล่านั้ น, น, น, น, น, น, นและก็ไม่รู้ถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตและไม่รู้ถึงว่าจิตกับเจตสิกเนี่ยเป็นปัจจัยอะไรแกจิตตะชาวายโยทำให้ร่างกายเหล่านี้หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอันนี้ ทางพระพุทธพจน์ใช้คำว่าสรีระยนนะนสรีระยนมีจักรสี่ทวารเก้านนจักสี่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่ข้านี้ใช่ไหอันนี้พูดถึงหนึ่งขณะนะที่ยืนเดินนั่งนอนอะ่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มองสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประวัติศาส ถ้าจะสาวไปหาอริยสัจต้องมองว่านี้คือวัตตนนี้เป็นไปอย่างนี้นะเห็่ไเพลิดเพลินไหมหน้าเพลิดเพลินไหมเนแล้วก็พูดถึงทุกโทษต่างๆของการเดินยืนนั่งนอนเหล่านี้โดยเฉพาะการเดินเนี่ยนะชีวิตนี้เดินมากี่กิโลเมตรแล้วกุมชูเดินสักกี่กิโลมาแล้วนับไม่ไหวแล้วรอบโลกแล้วจะรอบโลกมั่งนะ นี่ถ้าพูดถึงวัตตาสงสารนะไม่รู้เดินกี่ในเดินรอบโลกไงนะนะกี่สิบรอบมาแล้วใช่ไหมถ้าพูดถึงอิริยาบถนอนนะคนโดยเฉลี่ยก็นอนตกวันละหกชั่วโมงชาตินี้นอนมากี่ชั่วโมงแลหนไหมแล้วถ้าทั้งวัตตาเลยนะชาติที่เป็นอมภพพึกอมภพาดเป็นต้นอนะ่ะบวกลบคูณหารไปเสร็จแล้ว โ, โหจมอยู่กับที่นอนนี่ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยติดอยู่กับที่นั่งไม่ใช่น้อยเนไห จริงแล้วนะนก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันอยู่4ี่อิรยาบทเหล่านี้แหละที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ถ้ามันเดินเดินยืนนั่งนอนนี่นะฮ ะ, ะแสดงถึงประวัติศาสยังชัดเจนหรือว่าแสดงถึงสังความเป็นไปของอธิบายสังสาระได้อย่างชัดเจนมากเห็นเห็นเลยว่าไม่มีขาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยไม่มีเว้นจากการยืนเดินนั่งนอน การถามมาเอาแล้ววิ่งล่ะวิ่งก็คือเดินเร็วๆเนี่หท่านั้นเองทีนี้พอพอมีความเข้าใจอย่างนี้โดยอิริยาบถบัพะแล้วก็มาขยายยืนเดินนั่งนอนให้ละเอียดขึ้นเป็นไปมาใช่ไหมปฏิกันเต อ, อภิกันเตปฏิกันเตกา ร, ปการไปการมาเมื่อไปมาก็มีการ แลเหลยวเมื่อแลเหลวก็คูเหยียดเมื่อคูเหยียดก็นุ่งหม่มเมื่อนุ่งห่มก็กินดื่มเมื่อกินดื่มเสร็จเข้าห้องน้ําเมื่อเข้าห้องน้ําเสร็จก็เปลีกย่อยรายละเอียดก็นี่ก็คือเจาะละเอียดลงไปอีกในส่วนของสัมปชัญญะญญบัพพา น, นะทีนี้พอสัมปชัญญะบัพพาเนี่ยขยายส่วนเหล่านี้ละเอียดเพิ่มก็มาต่อด้วยปฏิกูลมนาสิการก็ไข่ครวนทั้งหมดเริ่มเบงเกสาโลมานขาทันตาตโจเป็นต้น พอมีการเาพิจารณาโดยปฏิกูลอย่างนั้นก็มาแบ่งในส่วนของธาตุต่างๆพอมีการแยกแยะอย่างนี้แล้วนะธาบอกว่าแหมยังไม่เบื่อหน่ายเลยเออย่างนี้ก็แล้วกันเอาคนตายมาเปรียบเนี่ยนะเอาซากศพนั่งกับวันหนึ่งสองวันสามวันจนถึงกระดูกเป็นผุยเป็นผงเอามาให้ครวนเทียบเคียงพิจารณาอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ย คือการไข้ครวญหรือการพิจรารณากายานุปัสนาเนี่ยนะการรอบรู้แบบนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเรียกว่าการเจริญกายานุปัสนาเนี่ยนะอันนี้ว่าโดยสรุปเป็นอย่างนั้นศึกษาธรรมะเนี่ยนะมีความเข้าใจายอย่างหนึ่งว่าศาสตร์บริสุทธิ์คืออะไร น, นะกับศาสตร์ประยุคคืออะไร <c ười> คือคําว่าศาสตร์บริสุทธิ์หมายถึงว่าคําสอนดั้งเดิมเนี่ยเป็นยังไง อันนะั้ส่วนประยุกต์ก็คือเอามาแปรรูปเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยนะท่านอ้างว่าเพื่อให้เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจง่ายขึ้นท่านเลยก็เลยประยุกต์บ้างเจงพนพาถ้าถ้าอย่างนั้นนะบา ร, รมีก็จะไปบำเพ็ญอะไรนาน ผมมาเคยคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาตั้งสี่อสงไขยแสนกับเพื่อจะมาเปิดเผยในสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยนะเสร็จแล้วเราเนี่ยไม่รู้อัตั้งอะไรมาบ้างกี่กี่ชาติมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยชาตินี้มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะบอกจะจะทำอย่างนี้ให้มันง่าย อ, อ่ะนะไม่รู้ง่ายแล้วมันจะเป็นของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้หรือเป็นของเราไปแล้วตั้งนานก็ไม่รู้ก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมีนานอะไร แต่ที่นี้อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะทานศีสาวน่ะย้อนมาเข้านิวรณบัพพ็ของเราคืนนะในนิวรบัพพ็เนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปย้อนอีกนิดหนึ่ง <c oughs> อะไร ย้อนอยู่สี่คำด้วยกันคำที่หนะึ่งะคือเ uh มื่อการมาฉันทะนิวรเนี่ยนะมีอยู่มีอยู่ก็มาจากคำว่าสันตังใช่ไหมเมื่อมีอยู่ก็รู้ชัดว่ามีอยู่ข้อที่สองเนี่ยนะเมื่อการมาฉันทะนิวรไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าการมาฉันทะนิวรไม่มีอยู่ข้อที่สาม อันนะั้นการมาฉันทานิวรที่ยังไม่เกิดจะเกิดโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยข้อที่4เนี่ยนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะละได้โดยประการใดเนี่ยนะข้อที่5ก็คือละเด็ดขาดนนะละได้เด็ดขาดที่ไหนอันนี้เป็นโครงหลักๆ ก, ก่อนเนี่ยนะซึ่ง เวลาอธิบายขยายความก็จะเป็นไปตามห้ า, หาความหมายนี้ทีนี้พูดถึงคำว่าการมาฉันทานนิวรมีอยู่เนี่ยนะมีอยู่ยังไงเนี่ยนะก็หมายถึงว่ามีโดยความที่เกิดบ่อยๆ น, นะเพราะมันเกิดบ่อยๆกําเริบบ่อยๆเนี่ยนะ เ, เกิดบ่อยๆนั้นอย่างที่ถ้าเราประมวลแบบฉะจักกระสูตรมาเนี่ยนะ ก่อนที่การมฉันทะจะเกิดหรือก่อนที่โลภะตันหาเนี่ยนะที่เราเรียกว่าการมฉันทะเกิดขึ้นจะต้องอาศัยต้องอาศัยปัจจัยปัจจัยที่จะทําให้ตันหาเกิดขึ้นตรงๆแล้วคืออะไระนะเวทนาทั้งที่เป็นสุขเวทนา ทุกเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาเวทนาน่ะเป็นปัจจัยแก่ตัณหาอ่ะแล้วเวทนามาจากไหนเวทนาทั้งสมเนี่ยมาจากผัสสะผัสสะเนี่ยมาจากไหนมาจากธาตุอ่ะนะธาตุที่เป็นที่เราเรียกกันชุนเคยว่าวัตถุอย่างหนึ่งธาตุที่เป็น วิญญาณเนี่ยอย่างหนึง่งธาตุที่เป็นอารมณ์เนี่ยอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะตรงนี้ใช้คำว่าธาตุก็ได้ทั้งนี้จะเรียนธาตุสบไม่ยากเช่นอาศัยจักขู่ธาตุกับรูปธาตุเกิดจักขูวิญญาณธาตุเนี่ย น, นะก็จะได้ธาตุสอ่า น, นะการไล่ตามทวารแบบนี้เราจะท่องธาตุสได้เลย่ น, นะอนวัตถุ วิญญาณอารมณ์เนี่ยนะสามคำนี่สูตรนี้ดีจำธรรมะง่ายขึ้นอีกเยอะนะเช่นทวารตานะจักขู่กับรูปเกิดจักขู่วิญญาณใช่ไหมธรรมะสามอย่างประชุมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมี เ, เวทนาเวทนาตัวนี้แหละเป็นปัจจัยแก่ตันหาตันหาอันนี้เรียกว่า การมาฉันทะนิวรณ์การมาฉันทะนิวรณตัณหาอันนี้ชื่อของเขามีชื่อว่าอย่างไรถ้าเรียกโดยตัณหานะมีชื่อว่าเอาตัวนี้มาตั้งชื่อเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งชื่อเขาเรียกว่ารูปปตัตนหาแต่ถ้าภาษาเวทนานี้เอาวัตถุมาตั้งชื่ อ, เอนเะช่นจักคูวิญญาณจักคูสัมผัส นนะเวทนาที่เกิดจากจากสูสัมผัสแต่พอเป็นตัญหาจะขยายเป็นรูปปตัตญหาไอ้รูปปตัตญหานั่นแหละเรียกว่าการมาฉันทานิวอนอ น, นทีนี้การมฉันทานิวอแบบนี้ท่านบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าขณะนี้เป็นการมฉันทานิวอนนั่นนะก็บอกว่าให้รู้เถอะว่าเมื่อท่องเที่ยวไปในรูปที่น่าปรารถนาะ น, นะในรูปที่น่าปรารถนาหรือรูปที่เราพอใจเนี่ยนะจิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่เราชอบเสมอเนี่ยนะอันนั้นแหละบอกว่าขณะนั้นเนี่ยนะชาวนะทั้งหมดนี่เป็นตันหาหมดเลยกระว่าท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาโดยส่วนเดียวเนี่ยนะอันนั้นเป็นตันหาแต่ถ้าตรงกันข้ามกับตันหานะ ท, ที่เรียกว่าพยาบาทเอาอากุศลด้วยกัน อันนี้จะท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนานะพอท่องทักท้ ถ, ถึงสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาบ่อยๆ อ, อันนั้นเป็นชาวนะเป็นโทสะแต่ถ้าท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่น่าปรารถนาบ่อยๆอันนั้นเป็นโลภะเนี่ย น, นะสมมติถ้ามีอะไรดอกไม้สักดอกหนึ่งเนี่ย น, นะ ดอกไม้กว่ารูปไงลุไม่รู้ดอกอะไรก็ไม่รู้นะคิดให้มันเป็นดอกไม้ก็แล้วกันนะคุณโชคดีสมมุติถ้ามันมีดอกดอกอื่นๆเนี่ยนะกลีบอื่นๆอยู่ห้ากลีบเนี่ยดีหมดเลยมันมีดอกกลีบเดียวเนี่ยเน่าถ้าท่องเที่ยวไปในไอที่งามงามอย่างเดียวนะโดยที่ไม่สนใจไอที่ไม่งามเลยอะ่ะ ให้รู้ว่าชาวนะโดยมากเป็นไปกับโลภะแต่ถ้าดูแล้วดูอีกไอตรงที่เน่าที่เดียวอะ่ะไม่ไม่ดูที่อื่นนะจะเอาแต่ตรงนั้นอย่างเดียวว่ะอันนี้ลักษณะของโทสะหรือเสื้อเหมือนกันนะเสื้องามๆตัวหนึ่งอันนะถ้าดูแต่ถึงความงดงามทั้งหมดเลยนะพลิกแล้วพลิกอีกดูแต่ความงามอันนี้ลักษณะของชาวนะที่เป็นโลภะแต่ถ้ามันมีตําหนิตรงไหนนะดูแต่ไอตำหนิตรงนั้นแนหะ ดูแล้วดูอีกย้ำแล้วย้ำอีกอันนั้นลักษณะของโทสะหรือพยาบาทเนี่ยนะอันนี้วิธีสังเกตง่ายๆเรียกว่าเอาอารมณ์เนี่ยมาเป็นเครื่องสังเกตเนี่ยนะสมัยใหม่ภาษาไทยเลยเรียกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีถ้าพิจารณาในส่วนที่ไม่ค่อยดีนะบอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่แป ล, ปลว่าเขากำลังเกิดโทสะอยู่ ทีนี้ถ้าปล่อยให้ความคิดเป็นไปกับอิทธารมท่องเที่ยวไปในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างเดียวบ่อยๆอย่างนี้แปลว่าการมาฉันทะมีอยู่นะมีอยู่นะทีนี้คำว่าการมาฉันทะไม่มีอยู่เนี่ยหมายว่าแบ่งออกเป็นสองใช่ไมไม่มีอยู่โดยคือขณะนั้นไม่เกิดะนะ ขณะนั้นไม่มีโลภะเลยอาจจะไปคิดเรื่องอื่นอยู่ไปหมกมุ่นกับสิ่งอื่นอยู่ไปใครควรวนเรื่องอื่นอยู่ใ น, นขณะนั้นเรียกว่าไม่มีอย่างหนึ่งไม่มีอีกอย่างหนึ่งแปลว่าละได้เนี่ยนะทีนี้คำว่าละได้หรือมีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะสามารถวนไปหาอันนี้คืนได้ วนไปหาให้เกิดบ่อยๆเนืองๆได้ก็ก็อยู่อย่างนี้แหละเห็นไบอกว่าอันนี้พูดถึงคนทั่วๆไปนะมันมีแล้วก็ไม่มีพอไม่มีแล้วก็มามีขึ้นมีขึ้นแล้วก็มาไม่มีอีกก็วนอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าผู้ที่จะเจริญจริงๆเนี่ยนะเขาจะเริ่มสังเกตไปที่ตัวที่สามอีกว่า เอ๊ะถ้าขณะที่มันไม่มีเนี่ยนะมันจะมีขึ้นได้ยังไงไอไอตัวโลภะอกุศลอันนั้นเนี่ยนะการมาฉันทะขณะนี้มันยังไม่มีถ้ามันจะเกิดมันจะกําเริบขึ้นมันกําเริบได้ยังไงอนะทีนี้พอกําเริบเสร็จแล้วจะละมันต่อไปได้ยังไงก็จะต่ อ, อยังไงนะถ้าละเด็ดขาดที่ไหนนะจะต้องรู้อย่างนี้ให้ตลอดสาย อนีอ้พูดถึงว่าอในในตัวในตัวธรรมานุปัสนาติปัฏฐานนิวรณ์นี่นะฮะมีคําว่ารู้ชัดนี้่มิต้องเอาตัวไม่ต้องเอาตัวตัวนั้นมาทําทําปริญญาอย่างละเอียดหรือครับตัวรู้ชัดไม่ใช่ครับตัวกามาฉันทา น, นิวรณ์นะครับไม่ต้องเอาตัวนั้นมาทําปริญญาหรือครับ ก็ทั้งหมดเนี่ยกำลังพูดถึงการมฉันทะอย่างเดียวนะคำว่ามีอยู่อะไรมีการมฉันทะไอ้ที่ไม่มีคือการมฉันทะการมาฉันทะจะมีได้ยังไงจะละการมาฉันทะได้ยังไงละการมาฉันทะได้เด็ดขาดที่ไหนเนี่ยนะเมื่อไรมันก็คือในฐานะว่าผู้รอบรู้ในเรื่องการมาฉันทะอย่างแท้จริงเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าเออเนี่ยมีรู้แค่ว่ามีเท่านั้นเองเนี่ยนะ รู้ด้วยว่าทำไมมันจึงมีมีแล้วจะหมดได้ยังไง